สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการโกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับเอนะคะพนุมาหัตถบุญค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสารพันห้องครัวนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆสัปดาห์เลยเข้าสู่เรื่องราวของรายการของเรากันดีกว่ากับโกลเม็ดครัวไอเดียค่ะซึ่งวันนี้นะคะในช่วงแรกของรายการนั้นกับโกลเม็ดลุยเข้าครัวเอมีเรื่องราวของผักสวนครัวค่ะคุณผู้ฟัง13ชนิดด้วยกันนะคะที่ นำกลับมาปลูกเป็นอาหารได้อีกด้วยนะ่น่าสนใจมากๆเลยค่ะและในช่วงที่2ของรายการนั้นนะคะกับเรื่องราวของกลเม็ดเกร็ดเสริมครัวค่ะมี6สิ่งที่ครัวสวยๆจะขาดไม่ได้มาฝากกันนะคะและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับเรื่องของกลเม็ดเกร็ดท้ายครัวนะคะวันนี้เราจะมากําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะออกจากห้องครัวของคุณกันนะคะว่า มันจะมีเทคนิคนะคะมีทริคดีๆอย่างไรบ้างซึ่งเทคนิคดีๆนี้นะคะจะมีด้วยกัน5เคล็ดลับนะคะในการกําจัดกลิ่นในห้องครัวมาฝากกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพาะๆจากทีมงานวิทยุราชมงคลกันก่อนนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะว่าผักสวนครัว13ชนิดที่นํากลับมาปลูกเป็นอาหารได้ใหม่เนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะ แตงกษาแะฉัน มาสูช่วงแรกของรายการโกลเมคครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของผักสวนครัวนะคะ13ชนิดที่นํากลับมาปลูกเป็นอาหารได้อีกเวลาที่คุณไปจ่ายตลาดนะคะเมื่อเลือกซื้อผักมาประกอบอาหารในแต่ละครั้งเคยคิดบ้างไหมคะว่าถ้าเราปลูกผักทานเองได้เนี่ยจะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารไปได้อีกเท่าไหร่รวมทั้งห่างเรานะคะรับประทานผักที่เราปลูกเองดูแลเองจะทําให้เราได้รับประทานอาหารที่สดสะอาดปราศจากสารพิษตกค้างซึ่งมี ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะชักชวนนะคะแล้วก็มีไอเดียให้กับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านค่ะด้วยการนำเอาเศษนะคะที่เหลือจากการหั่นผักเนี่ยมาทำการปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งผักเหล่านี้เนี่ยโตเร็วไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากนะัก เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วนะคะก็ไปเลือกผักกลับมาปลูกที่บ้านกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะผักกาดหอมหรือผักสลัดค่ะเป็นผักที่โต ง, ง่ายมากนะคะหลังจากที่คุณเด็ดใบของมันเนี่ยไปใช้งานแล้วสามารถนําโคนไปแช่ในชามที่มีน้ําอยู่ก้นชามแล้วนําชามนั้นนะคะตั้งไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึงหลังจากนั้น 3-4 วันคุณจะเห็นรากของมันเนี่ยเริ่มงอกออกมาค่ะหลังจากนั้นคุณก็นําผักกาดหอมนะคะหรือผักสลัดนั้นลง ปลลูกในนดดิได้เยอย่างที่สองค่ะผักขึ้นช่ายนะคะเป็นผักประเภทหนึ่งที่เติบโตได้ดีจากเศษเหลือทิ้งเพียงตัดท่อนปลายของลำต้นเนี่ยออกจากการใช้งานแล้วก็วางไว้ในชามที่บรรจุน้ำไว้เล็กน้อยจากนั้นนำชามไปวางในที่ที่แสงแดดส่องถึงค่ะโดยตรงเลยนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์ คุณจะเริ่มเห็นใบอ่อนเนี่ยแทงยอดออกมาจากโคนต้นเมื่อเห็นใบอ่อนเริ่มแทงยอดออกมานะคะคุณสามารถย้ายต้นขึ้นใช้เนี่ยลงดินแล้วก็ดูแลให้มันโตขึ้นเรื่อยๆได้เลยค่ะอย่างที่3มนะคะตะไคร้ถ้าคุณต้องการที่จะทําอาหารที่มีตะไคร้เนะคะเป็นวัตถุดิบประกอบบ่อยๆนะอย่างต้มยำอะไรแบบนี้นะคะพอถึงเวลาเนี่ย จะใช้ก็ไม่ค่อยมีหากแต่จะเป็นเช่นนั้นนะคุณต้องซื้อตะไครเนี่ยมาจากตลาดแล้วก็ใช้ประกอบอาหารแล้วนะคะให้เก็บท่อนล่างของลาต้นไว้แล้วนาไปแช่น้ำในแก้วทรงสูงที่มีน้ำประมาณหนึ่งค่ะเมื่อผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์นะคะพอต้นตระไครเนี่ยมีรากงอกออกมาคุณก็นำต้นตะไคาไปปลูกลงดินค่ะหรือว่าในสวนผักของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ดูแลนะ ตามนั้นเลยนะคะอย่างที่4ถั่วงอกใครๆก็ทราบ ว, ว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายโตเร็วเพียงแค่นําเมล็ดถั่วเขียวไปแช่ในน้ําทิ้งไว้ข้ามคืนวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะเทน้ําออกจากภาชนะที่คุณนําเมล็ดถั่วไปแช่จากนั้นเนี่ยก็นําเมล็ดถั่วเหล่านั้นไปใส่ไว้ในภาชนะที่ต้องการปลูกแล้วคลุมทับไว้ด้วยผ้าเช็ดตัวหมาดๆนะคะเพื่อกักเก็บความชื้นและหลังจากนั้นค่ะเฝ้าดูการเจริญเติบโตแล้วก็คอยสังเกตขนาดของลําต้นนะคะว่าใช้ สำหรับทำอาหารที่คุณคิดเมนูเนี่ยได้หรือยังอย่างที่5้าค่ะมันฝรั่งค่ะคุณแม่บ้านเนี่ยคงจะทราบดีกันแล้วว่าเราสามารถปลูกต้นมันฝรั่งนะคะได้จากการหั่นหัวมันฝรั่งที่มีตาเนี่ยไปเพาะลงในดินทิ้งไว้ประมาณสักสองสัปดาห์ค่ะคุณจะเห็นต้นอ่อนของมันฝรั่งค่อยๆโตขึ้นนะคะ อย่างที่6ค่ะขิงนั่นเองหลังจากที่ซื้อขิงมาทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะเหลือเศษแห้งๆของแง่งขิงทิ้งไว้ก็จะมีลำต้นอ่อนเนี่ยงอกออกมาเราสามารถนำเงาขิงนั้นนะคะลงไปฝังหรือปลูกในดินได้เลยเพราะว่าพอผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์เนี่ยต้นอ่อนก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาใหม่ค่ะอย่างที่7สับประรด ผลไม้รสชาติดีที่เราปลูกทานเองได้ไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียสตางง่ายๆค่ะเพียงแค่นำนะสับประรดนะะี่ะจากตลาดโดยเลือกพันธุ์ดีๆนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้มีดตัดจุกสับประรดออกแล้วนําหัวสับประรดค่ะไปแช่ในภาชนะบรรจุน้ําที่มีขนาดพอดีกับหัวสับประรดเพียงไม่กี่วันนะคะรากของมันก็จะงอกออกมาจากส่วนที่เราตัดแล้วนําไปปลูกดงดินนะคะในดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายดูแลสักประมาณหนึ่งเดือนรากเนี่ยจะเริ่มแข็งแรง จากนั้นค่อยบํารุงใส่ปุ๋ยเพียงเท่านี้เนี่ยก็ได้สับประรดพันธุ์ดีไว้กินสมใจแล้วค่ะ 8. กระเทียมเราสามารถปลูกกระเทียมนะคะได้จากกลีบของมันเพียงแค่คุณนากลีบกระเทียมนั้นนะคะไปเพาะให้มีรากซะก่อนแล้วค่อยนําลงดินค่ะโดยรากนะคะต้องอยู่ลึกลงไปประมาณ2ใน3ส่วนของกลีบกระเทียมค่ะแล้วคลุมด้วยฟางเพื่อกําจัดวัชพืชแล้วหมั่นรดน้ําให้พอเพียงค่ะ อย่างที่9้าหอมหัวใหญ่เป็นผักอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ปลูกง่ายโตเร็วทั้งกลางแจ้งและในร่มเพียงแค่ตัดส่วนรากของหัวเนี่ยไปปักลงดินรดน้ําสม่ําเสมอค่ะรอให้รากงอกแล้วก็นําไปปักลงดินอีกครั้งอย่างที่10บฟักทองหลังจากใช้ฟักทองทำอาหารแล้วนะคะส่วนของมเมล็ดฟักทองให้นําเมล็ดเนี่ยไปตากแดดให้แห้งจากนั้นนําเมล็ดฟักทองค่ะไปหว่านลงบนพื้นดินที่มีแสงแดดดาไรส่องถึงนะคะรดน้ําเพียงไม่กี่วันค่ะกล้าอ่อน ของต้นฟักทองก็จะค่อยๆงอกออกมาได้แล้วค่ะอย่างที่11นะคะผักชีผักที่ใช้ในการทำอาหารบ่อยครั้งเราสามารถนำลำต้นของมั น, นไปแช่น้ำนะคะแล้วก็ยกภาชนะนั้นเนี่ยไปตั้งไว้บริเวณที่มีแสงแดด เมื่อรากเริ่มงอกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนําผักชีนั้นเนี่ยไปลงกระถางผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ค่ะจะเห็นได้ว่ามีต้นอ่อนของผักชีเนี่ยงอกออกมานั่นเองอย่างที่12กันบ้างนะคะมะเขือเทศคุณสามารถปลูกมะเขือเทศนะคะโดยหว่านเมล็ดของมะเขือเทศเนี่ยไว้บริเวณไหนก็ได้เมื่อต้นอ่อนของมะเขือเทศงอกขึ้นมาก็สามารถนํากล้านั้นไปลงเพาะลงกระถางเมื่อความสูงของกล้าประมาณ2นิ้วก็นําต้นออกมาไว้ด้านนอก มันดูแลรดน้ำประมาณอาทิตย์ละสครั้งค่ะเพียงไม่นานคุณก็จะได้มะเขือเทศผลงามไว้ทานสมใจกันแล้วค่ะอย่างสุดท้ายนะคะพลิกนั่นเองนะถ้าการทำเครือของบ้านเราเนี่ยนะคะจะขาดพลิกไปไม่ได้ เราจะปลูกด้วยเมล็ดแก่ที่เก็บเอาไว้นะคะแต่ต้องมีการเตรียมดินให้มีธาตุอาหารเพียงพอหลังจากนั้นค่ะก็ลองด้วยปุ๋ยหมักนะคะในก้นหลุมที่ปลูกเอาไว้แล้วก็ถ้าจะเป็นกระถางเนี่ยก็รองที่ก้นกระถางก่อนที่จะเอาดินที่มีธาตุต่างๆเนี่ยนะคะมาใส่ในกระถางจากนั้นรดน้ําให้ดินชุ่มนะคะก่อนขีดเส้นลงไปในดินเป็นเส้นตรงสัก1เส้นแล้วใส่เมล็ดเล็กๆ เ, เนี่ยนะคะลงไปจากนั้นก็เอาฟางคลุมแล้วก็รดน้ําตามอีก ครั้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะข่าวนี้เนี่ยเราก็จะได้มีผักไว้กินตลอดตลอดนะอย่างสมใจเลยทีเดียวค่ะกับ13นะคะชนิดของผักสวนครัวที่เราสามารถนำ ไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหัวนะหรือว่าส่วนต่างๆของเขาเนี่ยมาปลูกใหม่ได้นั่นเองนะคะก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของกลเมคเกรดเสริมครัวนะคะกับ6สิ่งที่ครัวสวยๆจะขาดไปไม่ได้เลยมีอะไรบ้างนั้นต้องกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันนะคะกับเรื่องราวของกลเม็เกรดเสริมครัวค่ะวันนี้เรามี6สิ่งที่ครัวสวยๆจะขาดไปไม่ได้นะคะจะมีอะไรกันบ้างนะคะเรามาติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะ ครัวสวยๆนะคะใครๆก็อยากมีแต่ว่าเราเนี่ยมักจะคิดว่าครัวที่สวยนั้นจะต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมกับเงงบประมาณนะคะอีกมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทำให้ครัวสวยได้มีเทคนิคที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างแล้วก็งบประมาณที่มากมายแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่เรานะจะต้องมีต่อไปนี้นะคะเป็นสิ่งที่ครัวสวยๆทั่วโลกเขาก็มีกันแน่นอนว่าหากคุณทาตามกฎง่ายๆทั้ง6นี้ได้ ะะรับรองว่าครัวที่บ้านเนี่ยสวยอย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะไม่ต้องกลัวลวดลายค่ะนักออกแบบตกแต่งนะคะอย่างโจแอน่าไกเนสและ พิสต e ีน่าอีมลซาค่ะบอกว่ากลัวที่มีลวดลายเนี่ยนะคะก็ดูสวยงามและเป็นที่นิยมเช่นกันเราสามารถใช้ลวดลายตกแต่งผนังห้องครัวให้สวยได้อาจจะเลือกการตกแต่งบางส่วนนะคะที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตกแต่งทั้งหมดอย่างผนังเนี่ยเรามี4ด้านนะคะก็อาจจะตกแต่งแค่2ด้านพอนะคะหรือว่าด้านเดียวก็พอแล้ว และเมื่อเราใช้ลวดลายแล้วนะคะต้องระวังไม่ให้รกของที่ไม่จำเป็นเนี่ยนะคะก็ให้เก็บเข้าตู้ไม่ควรวางอะไรที่พื้นและระวังไม่ให้สกระปกค่ะ อย่างที่สองนะคะสีเทาก็คือสีขาวแนวใหม่นั่นเองครัวจะสวยได้ต้องใส่ใจเสมอค่ะความสะอาดเรียบง่ายเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยสีเทาเป็นสีที่มาแรงในการนำมาใช้ตกแต่งบ้านดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องยึดติด ก, กับสีของการใช้ผนังที่เป็นสีขาวเสมอไปนะคะสีเทาเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะที่จะสามารถเข้ากันได้กับตู้หรือว่าอุปกรณ์ครัวทุกสี อย่างที่สามค่ะให้มีแสงสว่างมากๆนะคะแสงสว่างเป็นสิ่งที่สำคัญไฟในห้องครัวนั้นนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบรางในยุค90นะคะแบบหลอดไฟในช่วง ต้นยุค2000นะคะหรือแม้กระทั่งโคมไฟที่ห้อยลงมาจากเพดานนะทางเรื่องในการตกแต่งไฟให้สวยนั้นดึงดูดสายตาได้เสมอค่ะอย่างที่4ี่นะคะที่รับประทานอาหารเนี่ยแบบเรียบง่ายครัวจะดูสวยแล้วก็อบอุ่นนะคะหากมีที่นั่งรับประทานอาหารที่ดูสบายๆจัดแต่งเรียบง่ายในมุมหนึ่งก็พอค่ะพื้นที่จุดนี้เนี่ยอาจจะสร้างความเด่นด้วยการผสมผสานลวดลายนะคะพื้นผิวแล้วก็สีต่างๆเข้าไว้ด้วยกันหาผสมกันได้อย่าง ลงตัวนะคะห้องครัวก็จะดูแพงขึ้นมาทันทีเลยละคะ่ะอย่างที่5นะคะใช้หลัก2ดีกว่าหนึ่งห้องครัวคะ่ะใช่ว่าสีขาวไปหมดแล้วจะดีควรเลือกสีที่มีความแตกต่างนะคะมาเพิ่มความน่าสนใจคอนทราสกันไปเลยอะไรแบบนี้เช่นการเลือกสีที่แตกต่างกันนะอย่างที่ฉันบอกนะคะคอนทราสกันไปเลยมาใช้ระหว่างตู้ด้านบนกับตู้ด้านล่างจะช่วยให้หลอกสายตาให้ดูไม่แคบนั่นเองค่ะ และอย่างสุดท้ายอย่างที่6นะคะสีทองแดงเป็นอีกทางเลือกค่ะหากใครที่ไม่อยากใช้สีของอุปกรณ์ครัวแบบพื้นๆนะคะคือสีเงินลองเปลี่ยนมาใช้เป็นโทนทองแดงค่ะจะทําให้เด่นขึ้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับอุปกรณ์โลหะแล้วนะคะยังทําให้ดูเป็นธรรมชาติดูน่าค้นหาแค่เครื่องดูดควันสีทองแดงห้องครัวก็ดูเด่นแล้วค่ะ ขอบคุณข้อมูลจาก House Beautiful ค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็น่านำไปประยุกใช้จริงๆนะคะทั้ง6เคล็ดลับที่เรานำมาฝากกันนะสำหรับการตกแต่งห้องครัวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่เอบอกไปแล้วนะคะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ผนังที่เป็นสีขาวทั้งหมดนะมีสีด้านก็ใช้สีขาวทั้ง4ด้านนะคะก็มันก็จะดูเชยไปหน่อย นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ลองหาอะไรมาดัดแปลงนะทาสีตรงนั้นนะคะให้มันดูมีความแบบมีจุดเด่นขึ้นมาหรือห ล, ว, หลวจะอัดตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะเพิ่มสีสันให้กับห้องครัวของคุณนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรื่องราวของเทคนิคดีๆห้าเคล็ดลับในการกำจัดกลิ่นห้องครัวรอคุณผู้ฟังอยู่แล้วในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ แค่หึงเล็กน้อยแค่คอยรักที่โปรดจะรอฉันขนาดนั้นอีกนั้นคงขาใจและไม่ใช่ไม่ไว้ใจใจฉันร้อนหาใครมองนักกัเธอด่นน่ารักขนาดนั้นให้มองอยุดได้ไง บางที่ฉันก็ยังไม่อยู่บางที่ฉันก็รู้แต่ทนไม่ไว้บางที่ฉันใจร้อนกันไปปวดจนเข้าใจที่เป็นไปนะ พอนพี่นะสาวสาวเขาโมน อ, องเขาใจนะก็มีแฟนกี่หึงที่ทำไงลนะ่ะคิดอะไรกับพี่ต้องทำใจนะออร่าของพี่ไม่เปล่งแปังนะหน้าตาพี่ไม่ธรรมดานะแค่เมียรหนึ่งลูปสองพี่ก็จอยแล้วละ ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปเป็นมี เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ครัวไอเดียนะคะกับช่วงนี้กลเม็เกร็ดท้ายครัวนั่นเองค่ะเทคนิคดีๆ5เคล็ดลับในการกําจัดกลิ่นในห้องครัวนะคะเพราะห้องครัวเนี่ยนะคะที่เราใช้ทําอาหารกันอยู่ทุกวันนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีบางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนรดลอดเข้ามาในส่วนของห้องต่างๆแต่เราเนี่ยจะจัด ก, การปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรมารับฟังนะคะวิธีแล้วก็ขั้นตอนดังต่อไปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกนะคะใช้งานห้องครัวเสร็จเนี่ยต้องรีบทําความสะอาดอีกหนึ่งวิธีสุดง่ายแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นแหะค่ะนะคะเมื่อเราใช้งานในห้องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องรีบเช็ดทําความสะอาดไม่ปล่อยให้มีคราบหรือว่าเศษขยะหมักหมมนะคะรวมไปจนถึงจานชามเนี่ยก็ต้องล้างทันทีด้วยเตาเคาน์เตอร์เช็ดให้สะอาดค่ะยิ่งหากมีคราบน้ํามันกระเด็นเนี่ยอย่าปล่อยไว้นะคะจะให้ เ, เป็นคราบแล้วก็มันจะดูแบบ ขัดลูกตาคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำความสะอาดได้ทำความสะอาดเลยดีกว่านะคะก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูค่ะผสมกับน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็น้ำอุ่นนะคะจากนั้นใช้ผ้าเช็ดออกได้เลยแล้วก็เวลาที่เราดูแลแบบนี้เป็นประจำเนี่ยนะคะจะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ลงได้เยอะเลยทีเดียว อย่างที่สองทำความสะอาดพัดลมดูดควันนะคะสำหรับพัดลมดูดควันแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ในห้องครัวที่เราไม่ควรมองข้ามอาจ a m ไม่ได้ทําความสะอาดเป็นประจำนะคะทําให้มีคราบสกรปรกรวมไปถึงคราบน้ํามันกระเด็นนะคะแล้วก็มีฝุ่นละอองทางแก้ก็คือถอดออกมาทําความสะอาดค่ะพึงใบพัดให้แห้งสนิทนะคะแล้วก็นํามาติดตั้งเหมือนเดิมเท่านี้ก็จะช่วยให้บรรยากาศภายในห้องครัวเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะค่ะต่อมาข้อที่สามนะคะ ฮู้ดต้องมีขาดไม่ได้ค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะด้วยอุปกรณ์ช่วยดับกลิ่นอย่างฮูดเราควรจะเปิดฮูดเอาไว้ทุกครั้งนะคะระหว่างการทำอาหารนอกจากนี้หลังจากไม่ได้ใช้งานแล้วอย่าลืมทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยนะคะเท่านี้นะคะก็จะช่วยลดกลิ่นอับแล้วก็กลิ่นอาหารไปได้เยอะทีเดียวเลยละคะ่ะข้อที่4เพิ่มช่องระบายอากาศ ห้องครัวแบบไทยในสมัยก่อนนะคะมักจะสร้างอยู่นอกตัวบ้านนอกจากมีพื้นที่กว้างแล้วเนี่ยก็ยังมีความโปร่งสบายไม่เหม็นอับไอเดียนี้นะคะหยิบนาเอาความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนเนี่ยเข้ามาใช้โดยออกแบบให้มีหน้าต่างด้านใดด้านหนึ่งของห้องครัวค่ะเพื่อช่วยระบายกลิ่นของอาหารได้เป็นอย่างดีและข้อ5นะคะข้อสุดท้ายเคล็ดลับดีๆแบบนี้กับผักสวนครัวช่วยกาจัดกลิ่น เจ้าหัวหอมเนี่ยะค่ะพืชผักสวนครัวนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยคลายหวัดโล่งจมูกในช่วงที่ไม่สบายแล้วยังสามารถนำมาช่วยดูดกลิ่นภายในห้องครัวได้อีกด้วยเพียงแค่ฝานหอมหัวใหญ่นะคะออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็วางไว้กลางห้องจะช่วยบรรเทากลิ่นได้ดีทีเดียวเลยละค่ะและนี่ก็คือ5้าเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาช่วยคุณผู้ฟังในเรื่องของการกาจัดกลิ่นในห้องครัวนั่นเองค่ะ วันนี้เดินทางกันมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างเรื่องราวของสารพันห้องครัวที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวของอห้องครัวของเรานะะี่ยกลเม็ดครัวไอเดียเนี่ยหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังทั้งเอแล้วก็ทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีนะคะคงจะต้องกลับมาพบคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปแล้วล่ะค่ะ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี